ขอโมทนากับพวกเรานะตั้งใจที่จะฟังพระธรรมวันนั้นนางมลิกานภะรรยาของพันธุลาเสนาบดีไปเฝ้าพระผู้มีพระาคเจ้านางเป็นคนมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีคุณธรรมนะไปเฝ้าพระศาสดาตอนนั้นนะ่คนใช้คนดูแลก็มาบอกเขียนรายงานบอกว่าแม่นาย ตอนนี้พันธุลาเสนาวดีพร้อมได้ลูกของท่านทั้งหมดยี่สิบสามสิบคนตายในสงครามหมดแล้วตอนนั้นใจนางเป็นยังไง ร, รู้ไหมนางทำปฏิกิริยาไม่หวั่นไหวตอนนั้นคนใช้ถือเครื่องถวายพระเจ้ามันตกไม่แตก พภาษาสดาดูก่อ น, นี่ยมาริกาเนีสังขารเป็นอย่างนี้เธออย่าได้เศร้าโศกอย่าได้เสียใจอย่าได้ทรมานนี่ยินดีมนององนี้นางก็เอารายงานมาอ่านว่าข้าแต่พระผู้เมีพระภาคเจ้าผู้เจริญใจของข้าพระองค์ตั้งมั่นในคุณของภาษาสดาไม่หวั่นไหวตั้งมั่นในคุณของพระธรรมไม่หวั่นไหวตั้งมั่นในคุณของภริยาสงไม่หวั่นไหว แม่สามีและลูกชายสามสิบกว่าคนตายในสนามลบใจของฉันจึใจของดีฉันใจของหม่อมฉันไม่หวั่นไหวเลยพระเจ้าค่ะนี่ไงนี่ไงอุบาสิกาในพระศาสนาท่านได้อะไรท่านไม่ใช่คนใจดำนะนี้บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงว่าใจของเธอเนี่ยได้พระธรรมเทศนาของพระศาสดาไหลาลาดลดแล้ว ไม่วันไหวในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อและนี่เป็นอย่างนี้ใจที่มีกุศลศีลเป็นไปในรักนะี่ยท่านพิจารณาเสนยบรารมีว่าชื่อวสีเน่ยเป็นน้ําล้างมลทินคือโทสะคนที่โกรธง่ายโมโหง่ายนี่นะเออถ้าเราดูอย่างเจตสิกสีอีกข้อนึงนะสัมมาวาจาสัมมาวาจาไปตัดตรอนอะไรตัดรอนเวรเจตนากุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดเท็จ เจตนาที่อยู่ในโลภะโทสะโมหะเนี่ยบาปอกุศลถ้าทำรา ม, มกเป็นเหตุในการกล่าวเท็จเนียเป็นเหตุเหตุนการพูดส่อเสียดพูดคําหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจ้อสี่อย่างใช่ไหมไอตัวสัมมาวาจาเจตสิกที่เกิดกับกุศลไปตัดรอนตัวเนี้ยเวรเจตนากุศลที่เป็นเหตุในการพูดเท็จเวรเจตนาที่เป็นเหตุนการพูดส่อเสียดคำหยาบและเพ้อเจอ้อมันจะตัดได้ทันทีเลย ตัดได้เป็นตทางค้ตลอดตัดได้เป็นตทางค้ากุศลนี่นะแต่ถ้าถ้าไปเกิดในมรรคเจตนาเนะืในมรรคจิตเนะืสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะนี่นะตัดอย่างเด็ดขาดเป็นสมุเฉท่าแต่ถ้าในกุศลจิตเขาตัดเป็นตทางคะแต่ทางค ะ, งคะต้องให้ตัดบ่อยๆไหมเวรตีต้องให้เกิดบ่อยๆ ไม่ใช่นานๆไม่เคยให้โกรธเลยเนี่ยเห็นวัตถุสิ่งของโอ้โหวัตถุสิ่งของที่ควรจะล่วงละเมิดมีตั้งเยอะแยะทำไมไม่คิดตัดบ่อยๆถ้าคิดตัดไม่บ่อยเวตีจะมีกำลังไหยไม่มีหรอกต้องคิดให้เกิดบ่อยๆแขนยกบ่อยๆแขนมีกำลังไหมเดินบ่อยๆขามีกำลังไหมเห็นไหมโกรธบ่อยๆความโกรธมีกาลังไหม โลบบ่อยๆความโลบมีกําลังไหมเอาที่ลองคิดคิดชั่วบ่อยๆความชั่วก็มีกําลังคิดดีบ่อยๆความดีก็มีกําลังสรุปแล้วเนี่ยสบุญและบาปนี่อยู่ที่การปรุงแตง่งหรือป่าอยู่ที่การปรุงแตง่งไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆเนี่ยให้บุญเกิดได้ได้ ไ, ดไหมไม่ได้นั่งอ้อนวอนให้บุญมันลอยมาเกิดในใจก็ไม่ได้นั่งอ้อนวอนให้บาปมาเกิดในใจก็ไม่ได้ ทั้งสองอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยการคิดด้วยการปรุงแต่งให้เกิดเป็นสังขารละธรรมงานถ้าไปนั่งเจริญกรรมฐานต้องเจริญไงต้องไปปรุงแต่งบุญั้ยต้องไม่ต้องเอาแล้วนั่งเฉยๆยัน จ, จ, จะเป็นกรรมฐานได้ไั้ยุ่งแล้วเตี๋ยนี้นั่งเฉยๆไม่รับรู้อะไรเป็นกรรมฐานได้ไ้ย เราถูกสอนกรรมฐานบิดกันเยอะนะแล้วเป็นไปได้ไหมมนุษย์ไม่คิดเนะี่ยเป็นไปได้ไหมขาดข้อเท็จจริงคนไม่คิดมีอยู่จำพวกเดียวคือคนตายใช่ไหมนอกนั้นคิดหมดแหละมันนีคิดบุญกับคิดบาปใช่ไม่ใช่เจริญกรรมฐานคิดบุญหรือบาปคิดบุญถ้าเรารู้ข้อมูลในการไข ค, คววในการวิจัยในกรรมฐานเดิน อริยมรรคเนี่ยต้องปรุงแต่งคิดไปเรื่อยคิดให้เป็นบุญไปเรื่อยถึงประชุมอริยมรรคได้นะไม่ใช่นอนรอให้มรรควิ่งมาชนตุม้มไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวทำจิตให้สงบเดี๋ยวมรรควิ่งมาชนได้ไหมเดี๋ยวเราจะทําจิตให้มันสงบดิงแล้วต่อไปมรรคจะวิ่งมาจากไหนไม่รู้วุดชนตุม้มนี่แต่ไม่รู้อะไรอย่างนั้นจริงรึเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องพัฒนาขึ้นไปหาเองไหม ต้องพัฒนากุศลใช่ไหมจากกุศลศีลจากหยาบหยาบเข้าไปสู่ความละเอียดขึ้นเลยเลยเลยเลยเลยเอาศีลจากชั้นโลกยาศีลเนี่ยไปไประชุมในโลกุตตระศีลให้ได้ก็เส้นทางเนี่ยถ้าเราไปนั่งบอกว่าเส้นทางเอ้ยจากกรุงเทพจงวิ่งไปถึงสุพรรณหน่อยเถอะจงวิ่งไปถึงสุพาเนี่ยมันจะวิ่งไปเองได้ไหมเนี่ยไม่ได้กุศลศีลมันต้องพัฒนาให้เกิดไหม สมาธิและปัญญาก็ในายะเดียวกันเป็นอย่างนี้แต่ขั้นตอนของการพัฒนาเนี่ยต้องมีวิธีไะเอาวิธีของพระเจ้าหรือวิธีของเราต้องวิธีของพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าเราวิธีของเราอ่ะก็อย่างก็ก็ที่ผ่านมาในสังสารวัฏไงแล้วที่มานั่งอยู่ทุกวันนี้เราได้บรรลุอะไรไหมเนี่ยเพราะเราใช้วิธีของเรามานาน ต้องบอกว่าวิธีของข้าพเจ้าที่ผ่านมาในสังสารวัตใช้ได้หรือไม่ได้ต่อไปเราจะใช้วิธีของพระเจ้าดีกว่าใช่ไหมที่จริงมันน่าจะได้คําตอบเมื่อสีสอส่สองเสียสงไข่ที่แล้วแล้วใช่ไหมตอนที่พระกาศสป่าสามาเสมพพระเจ้านู่นแล้วนี่เพิ่งมาได้คําตอบวันนี้น่าเสียดายไหมเขาบอกคนที่จะไม่ได้บรรลุมีอยู่กี่ประเทศนะ หนึ่งคนที่มีโรคภัยแค่เจ็บเยอะเหมือนอามานี่้ป่วยง่อมแงมเลยอย่างเงี้ยไอเนีไปยั่งอะเนี้ยแก่เกินไปได้ไหมแก่เกินไปก็ไม่ได้ตอนนี้เรายังไม่แก่เกินไปใช่ไหมยังยังไม่แก่เกินไปพอไหวไหมตรงนี้ก็ไปพิจารณาท่านพิจารณาศีลบอกว่านั้นเว เวรีเนี่ยนะสัมมาวาจานในตัดเวราเจนาโกศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดเท็จไปตัดหลอนเวราเจนาโกศลที่เป็นเหตุการพูดส่อเสียดพูดคำหยาบแล้วพูดเพื่ อ, จ, อจะตัดหลอนตลอดเพราะตัดมากขึ้นเวทีจะมีกำลังไหมมีกำลังแล้วก็สัมมาอาชีวะสัมมาาชีวะเนี่ยการประกอบอาชีพ ที่เว้นจากกายทุจริตสามวิจิตทุจริตสี่ที่เกี่ยวกับอาชีพอ่านั่งกันอยู่มีอาชีพกันหมดไหมอาชีพที่พระเจ้าเราว่าไม่ค้าขายอาวุธไม่ค้าขายสัตว์เป็นไม่ค้าขายยาพิษไม่ค้าขายน้ําเมาใช่ไหมไม่ค้าขายมนุษย์รต่างๆพระเจ้าวางหลักไว้ในถูกเอี้เราก็ทําสัมมาชีพนี่เป็นอนันสัมมาชีวะไหมเป็นไม่เป็น อาชีพเป็นแต่ตัวจิตไม่เป็นตัวจิตไม่เป็นสัมมาชีวะเพราะสัมมาชีวะเป็นกุศลเื่ากุศลค้าขายแล้วบาปเกิดได้ไหมและจะเป็นสัมมาชีวะได้ไหมนี่เห็นไหมเพราะจะต้องเว้นจากกายทุจริตสามวิจีทุจริตสีใช่ไหมที่เป็นไปกับอาชีพใจต้องเป็นกุศลอาชีพถูกจิตต้องเป็นกุศล อ่ะตอนนี้เรามีอาชีพอะไรทําไปก็ล่าเริงอาถารพผ่องใสใจเป็นไปกับบุญอันนี้เขาเรียกอาชีวะบริสรุทธิ์ที่อาชีพบริสุทธิ์ไม่ใช่บริสุทธิ์ภายนอกอย่างเดียวภายในบริสุทธิ์ไหมกายกรรมบริสุทธิ์ไหมวัจีกรรมบริสุทธิ์ไหมมโนกรรมบริสุทธิ์ไหมขับเน้นดีกายกรรมวจจีกรรมมโนกรรมแล้วก็ประกอบอาชีพที่ถูกต้อง ชัดเจนไว้ตรงเนี้ยถ้าจะประกอบทุจริตธุราชีพทั้งหลายบาปเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการคิดอาชีพที่ผิดเมื่อไหรก็จะตัดตบปอบทันทีเนี่ยมองเนี่ยเอามาเห็นเป็นช่องเลยเราเห็นไหมเห็นไม่เห็นต่อไปอ้าวแต่เนี่ยเรามีอาชีพเป็นแม่บ้านไปกวาดบ้าน กว่าไปไม่มีใครช่วยเราเลยใจดำกันทั้งบ้านเป็นไงอย่างนี้เป็นอาชีวะบริสุทธิ์ไหมเป็นอะไรถ้าไม่เป็นถ้าไม่เป็นอาชีวะบริสุทธิ์ก็เป็นมิจฉาอาชีวะใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกมิจฉาอาชีวะทำอาชีพถูกแต่ใจเป็นบาปอกุศลเป็นมิจฉาอาชีวะไปเลยเห็นไหมเนี่ย บางทีเราก็นึกว่าถ้าเราทำอาชีพโูกแบบนี้มรคผลน่าจะเกิดตั้งนานแล้วที่แค่นี้แสดงว่าเราเดินมรคผิดแน่นอนอย่างนั้นไม่ใช่สัมมามรคเขาเรียกอะไรไมิเฉามรคใช่ไหมมรคดีหรือไม่ไ ม, ไ, มไม่ดีมรคไม่ดีใช่ัหมฉะนั้นต่อไปอย่าอธิษฐานมรคที่ไม่ดีเนี่ยต้องเอามรคที่ดีใช่ไห ให้สังเกตว่าพ้าอริยะบุคคลทั้งหลายในสมัยข้ามพุทธกาลก็มีครอบครัวกันนะแต่เขามีอาชีวระวัิสุทที่ตรงเนี้ยเราก็ต้องนั่งคิดว่าโอแสดงว่าเราผิดพลาดแน่นอนใช่ไหมคำสอนผิดพลาดไหมแต่คนที่ผิดพลาดคือเรานี่เองนะนะถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ก็จะเข้าใจถามว่าถ้าทำอย่างนี้กุศลจะเดินในชีวิตจริงได้ไหมแข็งแรงไหมตอนนี้ จะแข็งแรงต้องเกิดจากความเข้าใจองค์ความรู้ต้องชัดไหมองค์ความรู้ต้องชัดแล้วก็จะต้องเข้าใจทั้งอัตถาและปะัญชนะของความรู้นั้นๆั้นถ้าอย่างนั้นก็เอามาเดินไม่ได้เอามาไข้ครวนไม่ได้เอามาวิจัยพิจารณาเป็นต้นไม่ได้ศีลเป็นน้ำชาระล้างมวลทินคือโทสะโทสะเป็นมลทินหมราคะโทสะโมห oh ะเป็นมลทิน อันไม่อาจชําระได้ด้วยน้ําในแม่น้ําคงคาแม่น้ําเนี่ยแม่น้ําท่าจีนแม่น้ําเจ้าพยาสามารถชําระโทสะได้ไหมได้ไม่ได้โทสะเกิดขึ้นโดดน้ําไม่ทางหายเลยใช่ไหมเอาเรเกลียดหน้าคนนี้แล้วเกินอาบน้ำร้อยหม้อหายหายเกลียดได้ไหมไม่ได้แต่ศีลหายได้กุศลศีลจะชะําระจะเป็นตัวชําระมนทินคือโทสะได้ ไอ้ตัวโทสะมันตัดรากของศีลศีลของเราท่านทั้งหลายไม่เจริญงอกงามไอ้ตัวโทสานี่แหละเวลาทำปลูกต้นของศีลกำท่านจะขึ้นเมื่อน้อยโทสะก็ตัดเหลืองไหมทีเนี้ยตายไปรามรู้เท่าไหร่แลเราเสียมาไม่ใช่เหลืองอย่างเดียวเราตายแล้วเสียตายไปเยอะมากไปรับศีลเมื่อกี้รับไปแล้วเนะี่ย รับอย่างดีตั้งใจปาณาติปาทาเวรมณีอาทินาทานาเวลายไปทำแบบพอไล่จบแล้วเออคอ ย, ยังช่วจบเสทีเนี่ยเนะียศีลจริงๆรมันเกิดจากการสมาทานได้ตลอดไหมตลอดเวลาต้องตลอดไหมต้องตลอดต้องตั้งใจตลอดเนะี่ยศีลให้เกิดตลอดไม่ใช่สมาทานครั้งเดียวอยู่ได้เจ็ดวัน โห่สนีนไม่แข็งแรงขนาดนั้นใช่ไหมต้องตลอดต้องตรึกบ่อยๆสมาคือนั่นแหละเครื่อสมาทานคือตั้งใจให้เกิดบ่อยๆตั้งใจให้เกิดบ่อยก็เรื่องสมาทานเครื่ อ, อสมาทานแล้วกลัวการสมาทานศีนใช่ไหมแล้วอาจจะไปขอจากใครพระก็ไม่มีทำไงดีคิดเองเป็นศีลได้ไหมที่ให้จะเป็นรูปแบบ ว่าเออเนี่ยรับจากพระเถระเขาว่างั้นนะเหมือนอุบาสกบาสิกาบางท่านโอ้ยวันนี้เรารับศีลจากพระเถระผู้เป็นพระหูสูตรทรงธรรมทรงวินยัยเป็นต้นเงี้ยนะการที่จะมาโทษศีลไม่สมควรแก่เราเลยพิจารณาอย่างเงี้ยโอ้เนี่ยว่างั้นท่านมาเป็นสักขีพยานแก่เราเนี่ยเนี่ยว่าท่านมองหน้าแล้วว่าเราเป็นผู้รับศีลตั้งใจจริงๆนะแต่เราไปทําละเมิดจะเลยไม่สมควรน ละอายต่อพระศาสดาละอายต่อครูบาอาจารย์เนี่ยเขาใจ ย, าย่างนี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ละอายชั่วครูาบาศีลมันเกิดศีลเป็นน้ำำําชําระล้างมวลทินคือโทสะอันไม่อาจชําระล้างได้ด้วยน้ําในโลกเนี่ยนะเป็นการกําจัดอันตรายคือราคะเป็นการกําจัดอันตรายคือโทสะกําจัดเป็นการกําจัดอันตรายคือโมหะนะราคะโทสะโมหะเนี่จะถูกกาจัดได้ด้วย กุศรสีนี้ว่างั้นอันไม่สามารถกําจัดได้โดยจันท์เหลืองจันรแดงจันรขาวเป็นต้นหูกาจัดไม่ได้นะราคาโทสาเนี่ยเราจะใช้ยาสมุนไพรใดๆไปกินเนี่ยกําจัดไม่ได้นะไม่สามารถกําจัดราคาโทสาเป็นเครื่องประดับวิเศษของคนดีทั้งหลายด้วยถามว่าคนดีทั้งหลายเนี่ยเครื่องเราใส่เครื่องประดับใช่ไหมเครื่องประดับภายนอกมันงามชั่วพักชั่วคู่เนี่ แตกุศลศีลเนี่ย เ, เอามาประดับกายประดับวาจาประดับใจละงามไหมเจตนาศีลเจตสิกสังวรนาวิติก็กล้าเนี่ยงามลองมีศีลกลับไปบ้านเนี่ยถ้าเป็นภรรยานี่นะสามีก็แปลกใจถ้าเป็นสามีภรรยาก็แปลกใจถ้าเป็นลูกพ่อก็แปลกใจเป็นพ่อลูกก็แปลกใจไหม ไ่ใ่เข้าวัดตั้งเป็นสามสิบยี่สิบปีกับไปบ่นกี่เก่ากว่าเดิมบ่นมากกว่าเดิมยุ่งนะใช่ไหมยเคยเจอไหมไอศีลแรงไหมวันนี้ศีลแข็งแรงเนี่ยบางลายเนี่ยบางลายลูกโกรธพลาดนะโกรธพลาเลยทำไมโกรธบอกโอ้โ oh หแต่ก่อนแม่ก็เป็นคนพูดจากันรู้เรื่องตั้งแต่ไปวัดไปฟังท่านเทศ อดยากขึ้นแล้วงนะอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยกระทบถึงพระไหมพระเดียดร้อนเลยใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นเครื่องประดับอันวิเศษของคนดีทั้งหลายไม่ทั่วไปด้วยเครื่องประดับของชนเป็นนั้นมากถามว่าสร้อยมุกดาสร้อยมงกุฎและต่างหูเป็นต้นเนี่ยโอ้ ง, งามต้องมีคนสร้างขึ้นไหมพวกสร้อยพวกแหวนพวกนาฬิกาเครื่องประดับ แต่กุศลศีลเนี่ยไม่ต้องอาศัยคนอื่นสร้างให้ใช่ไหมทําให้เกิดขึ้นแล้วก็มีความงามทางกายทางวาจาและใจประดับได้ทุกเวลาประดับได้ทุกเวลาด้วยคนมีปัญญาคนตาดีทั้งหลายมองเห็นเนี่ยโอ้งามนะท่านบูเนียกายกรรมของงดงามงวามิญญกรรมกองดงามมโนกรรมของงดงามไม่มีใครสร้างขึ้นฟุ้งไปได้ทุกเทศมีกลิ่นหอมเหมาะสมทุกการเวลาหรือมีอํานาจอย่างยิ่งด้วยนะ ทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกทิศเบื้องบ น, บนเบื้องล่างเนี่ยศีลฟุ้งไปได้หมดนะเ อ, อมีพระเทเราลารูปหนึ่งนะท่านท่านเป็นพระเทระนี่นะท่านชํานาญในคําสอนของพุทธเจ้ามากวันหนึ่งท่านสอนท่านสอนวันละสิบปดคณะสิบปดคณะโอ้โหมีเวลาว่างเลยวะงนะั้นแต่ท่านยังเป็นบุุรชนอยู่ สอนพระนี่นะลูกศิษย์ท่านเป็นพระอรหันต์สามหมื่นรูปแต่ตัวท่านยังเป็นบุรุชนอยู่เลยเอามาต่อไปมาไม่สอนมากเดี๋ยวก็จะหยุดลยกลัวคนอื่นได้ดีแล้วมาแย่ใช่ไหมอย่างนี้เป็นอิจฉาไหมหอ้องั้นไม่เจริญดีกว่าเนี่ยก็เพียงตั้งหลักไว้จักสอนไม่นานเพราะอะไรเพราะว่า ไม่ได้ต่างคนต่างก็มีหน้าที่จะต้องไปขัดเกลาให้เต็มที่ใช่ไหมใช่ะั้นชีวิตเนี่ยมันจะรู้จักกันได้ระยะหนึ่งเท่านั้นในสุดต่างคนต่างไปไหมไปคนละที่ด้วยใช่ไหมโอ้โหสังสารวัตรกลัวจะโคจรมาเจอกันได้ดีไม่ใช่ธรรมดาถ้าไม่เจอกันได้ดีไหมดีจะไม่ถ้าใครนิพพานได้ดีที่สุดใช่ไหมไม่เจอกันได้นิพพานได้ดีที่สุด แต่ไม่ใช่ไม่เจอกันได้อีกคนหนึ่งไปลงอวัยอบายภูมิอ้อยุ่งเลยใช่ไหมฮนะตรงนี้ไม่ใช่อย่างนั้นก็แปลว่าไงแปลว่าชีวิตเนี่ยทุกคนนั้นจะต้องเข้าถึงคำสอนของพระเจ้าให้ได้เมื่อเข้าถึงคำสอนแล้วทุกคนจะต้องเดินเพื่อขัดเกลาวตัวเองแล้วก็เข้ากระทําที่สุดเห็นทุกนี่เหมือนการท่านก็สอนติดพันสอนอยู่เนี่ยนะ สอนไปสอเงิกคิดว่าเหมือท่านฉลาดขนาดเนี้ท่านไปมณฑิการกรรมฐ า, านไม่น่าเกินเจ็ดวันบรรลุแน่นี่ท่านประมาทนะประมาทคุณธรรมเบื้องสูงอ่ะคิดว่างได้ง่ายง่ยไ ง, ยงยไปไปมาโอ้โหแต่เนี่ยลูกศิษย์ก็พิจารณาโอ้อาจารย์ของเราเนี่ยเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นแต่ไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับตนเองได้เพราะงั้นท่านห่อมาเลยแต่ท่านเวลาจะมาท่านไม่ห่อไม่เห็นต่อหน้า ท่านหอมมาท่านก็เดินมาหาถืออัฐาบริขารมาก็มากราบอาจารย์พระละหันเนี่ยยังไงก็ต้องกราบอาจารย์นะอาจารย์พันษามา ก, กว่านี่เป็นอย่างนี้ท่านกราดเพราะวินัยศีลไงที่พระพุทธเจ้าวางหลักเขาไว้นี่แหละท่านเกรงครัดในตัวนั้นเราอย่าแปลกใจใช่ไหมพระลหันไหวุ้รุชนเนี่ยหรือฆราวาสเป็นพระละหันเนี่ยว่ายพระปุรุชนเนี่ย เออไม่ใช่ฆราวาสเป็นพระรหลานไม่ได้พระ่าคราวาที่เป็นพระนาคาเป็นพระโสดาบันพระสกทาคาถ้าเป็นพระหลานจะต้องนิพพานวันนั้นนะโดยส่วนใหญ่นี่นะอย่างพระเจ้าสุโธเทนะเป็นพระรหลานไหมเป็นวันนั้นนิพพานวันนั้นอย่างเนี้เป็นต้นนี่พุทธเจ้านี่เห็นไหมการสร้างอัธยาศัยเป็นพ่อของพุทธเจ้าเนี่ยยังไงก็ได้บรรลุเป็นแม่เงนี้ย เป็นภรรยาเป็นลูกเนี่ยเรียบร้อยท่านนิพพานกันหมดแล้วเนี่ยเราไม่กล้าไงเนี่ยทินไม่กล้าอธิษฐานอะไรเลยอะ่ะเนี่ยมานั่งกันเจ็บปวดกันอยู่เนี่ยต่อไปจะกล้าอีกไหมต่อไปต้องกล้าได้แล้วต้องตั้งอัตยาสัยได้แล้วควรจะตั้งตั้งนานแล้วใช่ไหมโอ้โเราไปคิดผิดพลาดมาตั้ง น, นั้นอู้ยไม่เอาแล้วอะไรด้วตั้งเสียสงไข่หัวไม่เอาแล้วอะไรเนี่ยนะไม่กล้า นี่ไม่กล้าก็เป็นแบบนี้ไม่กล้าพ้นทุกข์ไม่กล้าพ้นทุกข์เออยมผู้ชายเล่าให้ามาฟังที่ไปรับตอนเช้ า, เามาฟังทำไสะดุ้งเลยมาเอาของไปแจกเออพนมเนี่ยเออคุณเนี่ยขอขยันทําบุญทํากุศลนะขอบุญกุศลที่ทานี่ขอให้เป็นปันจจัย่าได้ผุดได้เกิดนะเหเห็นไหม เนี่ยฟังแกบอกแกงงเลยฟังใหม่ๆอามาบอกนี่แกให้พรนี่การผุดการเกิดเป็นความเจ็บปวดไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเป็นพระนิพพานเป็นความพ้นทุกข์ไอ้เพราะการผุดการเกิดนี่แหละมันถึงเจ็บปวดอย่างเงี้ยถ้าเข้าใจอย่างนี้ใจโอ้ยท่านผู้นั้นให้พรแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ คุณก็อย่าลืมอย่าผุดอย่าเกิดเหมือนกันนะเลยดีไหมก็ให้พรก็ตอบแต่ไม่ใช่ไปว่าเขาใช่ไหมเพราะเขาให้พรเราเราก็ให้พรเขาดีไหมต่างคนต่างก็ให้ว่าเพราะต่างคนต่างก็หวังความพ้นทุกเออเราหวังพน้นแล้วเจ็บปวดนี่การเกิดเนี่ยมันเจ็บปวดเนี่ยแล้วเรามาอยู่กับโรบประคันที่มันทรยศเนี่ยไม่รู้จากคุณเนี่ย ดูแลอย่างดีแต่มันก็ทรยศเราดูที่เนี่ยมันให้อะไรเรามาเนี่ยให้ตาที่ฟ้ามัวให้หัวให้หูที่กําลังจะหนวกใช่ไหมให้ตาที่กําลังจะบอดเนี่ยให้ให้ให้ฟันมาแต่มันจะหมดในปากอยู่แล้วเนี่ยนะดูที่เน่ยให้ให้สรีระมาก็เริ่มจะโค้งงอเส้นเอ็นก็เริ่มจะขึ้นสะพั่งโอ้ลาบาก เราไม่ถามเขาบังหรือบอกว่านี่เราดูแลคุณมาอย่างดีทุกวันเนี่ยนี่ใช่ไหมที่คุณตอบแทนเราอ๋อแล้วเราจะไปอะไรอววรทําไมใช่ไม่ใ ช, ใช่แล้วจะไปอะไรอววรทําไมก็เอาเขาเป็นฐานในการเจริญกุศลไม่ดีกว่าหรือถ้าคิดอย่างเงี้ยใจมันจะกล้ า, าหาันไหมกล้าหานมันจะกล้ า, าหานในการที่จะเดินออกในการที่จะเจริญกุศลได้เต็มที่ ไม่ใช่โอ้ไม่กล้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วยุ่งเลยนะข้านะข้าวเราก็จะนอนจมอยู่กับบาปอากุศลเนี่ยมีกลิ่นหอมเพราะเหมาะสมทุกการนะมีอํานาจอย่างใหญ่เพราะนํามาถึ่งสุขอันวิเศษคําว่ากษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลเป็นเทวดาเป็นพรหมทั้งหลายเหล่านี้นะสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยศีล น, นะให้มาทางไหนล่ะเป็นบันไดขึ้นสู่เทวโลกสวรรค์ ตั้งแต่จารตมหาราชกาตาวติงสายามาดูสิตานิ ม, มานรดีปารณิมิสวัสวัสดีนะพรหมปริสชาพรหมปโรยตามหาพรหมาตามลําดับนี่นะแต่ละชั้นแต่ละชั้นน่ะบันไดที่จะเดินขึ้นไปได้คือศีลนัเนี่ยตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปเหอะถ้าไม่มีศีลนะล่วงปุ๊บลงไปข้างล่างเน้นนว่นสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตบ้างสุรกายบ้างฉะนั้นตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปยันนุ่น่ะพรหมภูมิทั้งหลาย่ะ เป็นบันไดขึ้นสู่เทวภูมิทั้งหลายแต่มาจากศีลฉะนั้นทาหมดศีลแลห้หมดสิทธิ์หมดศีลแล้หมดสิทธิ์จะขึ้นสู่บันไดเหล่านี้ในรมพิจารณางี้ยศีลดีอย่างเนี้ยควรจะรักษาไว้ไหมถ้าอย่างนั้นโอกาสที่จะรักษาศีลตอนนี้เหลือน้อยหรือเหลือมากเหลือน้อยแล้ว ตาไม่เคยบอกเราไหมว่าจะลาลวันพรุ่งนี้แล้วมันไม่เคยบอกหูจมูกลิ้นกายในใจไม่เคยบอกแล้วหรอว่ามันจะจุตติแล้วมันยังไม่เคยบอกเลยใช่ไหมคนที่จะตายทั้งหลายเขาไม่เคยปรึกษาเราเลยเราไปถามทุกค น, นคิดว่ายังอยู่กันทั้งนั้นแหละขนาดตัวนก่อนมาไปคนป่วยหนักเลยนะ ไปพิจารณาโอโ้ป่วยเอามาไปดูแล้วตอนนั้นยุคเข้าห้องไอซียูเ่เป็นพระเนี่ยเอามาก็ไปเยี่ยมเขา ใ, ใช้เครื่องช่วยหายใจโอ้โหทรมานมากแบบเครื่องดันใสท่ทิวเนี่ยอามาก็จับพอเขาเห็นอนะมาเขาจําได้เขากำมือมาแน่นเลยพระนี่นะท่านบมรณาภาพไปแล้ว แล้วญาติญาติก็บอกว่าท่านอาจารย์ท่านมั่นใจว่าท่านจะรอดเอามาฟังแล้วสวดใจเลยเนะือเอามาบอกเอามาก็บอกว่าเอามาก็บอกว่าอย่าบอกชีวิตเป็นแบบนี้แลามาบอกชีวิตเป็นแบบนี้ยอมรับ ก่อนในสิ่งที่มันเป็นลแล้วตั้งท่าทีต่อต่อเข้าให้ถูกกระแสชีวิตเป็นอย่างนี้กระแสชีวิตเป็นอย่างนี้ฉะนั้นความเจ็บปวดหรือความทรมานทั้งหลายที่มันโผล่เข้ามาเนี่ยใช่ไหมต้องฉลาดคิดในการที่จะตั้งท่าทีกับสิ่งนี้ให้เป็นถ้าเราตั้งท่าทีไม่เป็นตั้งใจไม่ถูกกับสิ่งนี้ ที่สุดจริงๆเนี่ยเราจะโดนหลอกว่าเราจะรอดเราจะรอดเราจะรอดโดนหลอกสิ่งที่คิดควรคิดอะไรตรึกถึงกุศลศรีลตึกถึงทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลตึกถึงการบำเพ็ญการเจริญคุณความดีทั้งหลายที่กระทำมา น้อมถึงภาษาสดาว่าเราได้ถวายอะไรเป็นพุทธบูชาที่เป็นเครื่องปลื้มใจบ้างสิ่งต่างๆเหล่านั้นเะ็บมาเป็นหลักแห่งการไข้ควรและคิดตรงนี้ก็คือเป็นอุบายแห่งการบรรลุกุศลศีลเนี่ยบรรลุอาจารยิญญาเป็นทางให้ถึงพระนิพพานนะเป็นภูมิประดิสถานสาวกโพธินะถามว่าสาวกโพธิญาณปัจเจกับโพธิญาณสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยถ้าไม่มีกุศลศีลมีสิทธิ์ได้ไหม ฉะนั้นการบรรลุเนี่ยทุกระดับถ้าไม่มีกุศลศีลถ้าไม่เดินกุศลศีลให้ต่อเนื่องแล้วเนี่ยหมดสิทธิ์ได้ฉะนั้นกุศลศีลที่แข็งแรงเท่านั้นถึงจะเป็นปัจจัยแก่การที่จะได้โพธิเหล่าเนี้นะได้สาวกสาโพธิปัเจกับโพธิแล้วก็ได้สัมมาสัมโพธิฉะนั้นกุศลศีลต้องแข็งแรงดังที่ได้กล่าวว่า เหมือนกระจาารีรักษาคนหาเหมือนนกต้อยชีวิต ร, รักษาไข่เหมือนคนตายข้างเดียวรักษาตาเหมือนกับว่าพระมเหสีที่รู้ว่าบุตรในคันของตอนเองจะกลายเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิก็ทะนุถนอมประคบประงมเลี้ยงดูอย่างดิบอย่างดีแม้ชั้นใดฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อสมาทานกุศลศีลแล้วก็จงมณสิกา ร, รักษา กุศลศีลเหล่านั้นให้เจริญให้พกงอกงามให้ภัยบุญในกระแสของชีวิตของท่านอย่าให้กุศลศีลหลุดลอยไปจากใจของเราท่านทั้งหลายเมื่อทำในลักษณะอย่างนั้นก็บอกว่าสมดังที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายความตั้งใจของผู้มีศีลย่อมสาเร็จเพราะอะไรเพราะศีลวิสุทธิความตั้งใจของผู้มีศีล น, น, นะ ความตั้งใจที่จะได้สัมมาสัมโพริยานปัจเจกอริยาณสาวกพริยานนะการตั้งใจที่จะได้ความหลุดพ้นได้พระนิพพานเนี่ยสำเร็จได้ด้วยศีละวิสุทธิแม้ข้ออื่นที่ตรัสบอกว่าภิกสุทั้งหลายหากภิกษูพึงหวังว่าเราพึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพเป็นที่ยกย่องของสัพรมารีทั้งหลายและไซ ภิกษุภิกษุณีบาศสกบาศิกาพึงทำความบริบูรณ์ให้ศีลทั้งหลายทำเจตนาศีลให้บริบูรณ์เสียทำเจตสิกศีลคือความไม่โลภความไม่โกรธทำปัญญาทำสัมมาวาจาคัมมากรรมตะสัมมาชีวศีลให้บริบูรณ์เสียทำสังวรศีลให้บริบูรณ์ทำอวีติกรมะศีลคือการไม่ก้าวล่วงให้บริบูรณ์เสีย อันหนึ่งอานน์ศีล เ, เป็นกุศลมีความไม่เดือดร้อนใจเป็นประโยชน์นะศีลที่เป็นกุศลมีความไม่เดือดร้อนใจปเป็นประโยชน์ความไม่เดือดร้อนใจมีปลาโมดเป็นประโยชน์ปราโมดมีปีติเป็นประโยชน์ปีติก็มีปัสสถานีคือความสงบเป็นประโยชน์ปัสสถานีก็มีอะไรปัจสถานีก็มีความสุขสมานัทเป็นประโยชน์ไง สุขสมณะก็มีสมาธิเป็นประโยชน์สมาธิก็มีปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงปัญญาที่รู้ความทู่รู้เห็นตามความเป็นจริงก็มีความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดก็เป็นปัจจัยแก่วิราคะเวราคะก็เป็นปัจจัยแก่วิมุตติความหลุดพ้นและสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นได้เพราะศีล ศีลเป็นกุศลมีความใน้เดือดร้อนใจเป็นต้นกุหฑบาดีทั้งหลายอ น, นิสง์ห้าประการเหล่านี้ของผู้มีศีลก็พิจารณาคุณของศีลสามารถแห่งสูตรนะในศีลและสัมปทาสูตรอ น, นิสงฆ์ศีลเป็นยังไงผู้มีโคะมากเป็นต้นใช่ไหมไม่เดือดร้อนในโคลาเนี่ยแล้วก็มีสุขติเป็นไปในเบื้องหน้าเป็นต้นและในที่สุดเกงศีลเป็นบันได พิจารณาโทษของการโทษศีลด้วยนะในขันโท ป, ปมาสอักขีขันโท ป, ปมาสูตรเนี่ยบอกโอ้การทุศีนีเน่เสียหายมากเป็นความเจ็บปวดเป็นความทรมานเป็นความเสียหายฉะนั้นกุศลศีนีน่แหละนะโดยความเป็นสิ่งอันวินยูชนควรสรรเสริญเป็นเหตุแห่งความไม่เดือดร้อนใจโดยเป็นที่ตั้งแห่งความสวัสดีในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อด้วย เป็นสิ่งอย่างยอดเยี่ยมกว่าการถึงพร้อมด้วยความเป็นที่ยิ่งใหญ่เป็นอธิปไตยได้รูปได้อายุได้ฐานะได้พวกพ้องได้มิตรปีติสมณัสที่ยิ่งใหญ่ก็เกิดแก่บุคคลผู้มีศีลเหตุเพราะศีลและสัมปทานเนี่ยทำกุศลศีลใ้ถึงพร้อมแล้วเราได้ทำกุศลดีแล้วได้ท ำ, วทำความความป้องกันความกลัวไว้แล้วเนี่ยอันหนึ่งนะผู้มีศีลย่อมไม่ตีเตียนตน แล้ววินยูชนอื่นก็ไม่กล่าวโทษภัยจากอัจฉริยาก็ไม่เกิดภัยจากอบายทุกติวินิบาตนรกก็ไม่มีวินยูชนก็สรรเสริญว่าเป็นบุคคลผู้มีศีลมีทำงามนะความเดือดร้อนใจใดๆถามว่าความทุศีลน่ยถ้าศีลวิบัตนะิเนเดือดร้อนใจแต่ถ้ามีศีลความสวัสดีจะเกิดขึ้นงนะ่งั้น ยึดมั่นในความไม่ประมาทเพราะยังประโยชน์ใหญ่ให้สำเร็จถ้าพิจารณาอย่างนี้จึงบอกว่าโอ้เป็นมงคล น, นะสิ่งต่างๆเหล่านี้บอกว่าถ้าพิจารณาจากพระคำสอนของพระบรมศาสดานี่นะเราจะเห็นบอกว่าศีลอมอยู่เหนือความเป็นใหญ่ของความเป็นกษัตริย์เพื่อพิจารณาอย่างนี้นะว่าการเป็นกษัตริย์ได้มาเพราะศีนใช่ไ การเป็นขณาบดีก็ได้มาเพราะศีลการเป็นเศรษฐีมาหมาเศรษฐีการผู้มีรูปผสมบัติเป็นต้นศีลมาทั้งนั้นแต่ถ้าหากทุศีลนี่ศัตรูของศีลย่อมอยู่เหนือรูปสมบัติเป็นต้นเหล่านี้นะความชราโรคความวิบัติต่างๆเหล่านี้เนะีเออทำมาพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ท่านถึงบอกว่าให้พิจารณาบอกว่า ทาทั้งหลายมีโทสะเป็นปฏิปักษ์ของศีลเนี่ยถ้าโทสะเกิดขึ้นเนี่ยตัวกุศลศีลก็เสียหายเกิดขึ้นแก บ, บุรุษในระหว่างใดด้วยการสะสมมานานอันผู้ปฏิญญาแต่คนที่ปรารถนาความหลุดพ้นทุกระดับต้องตั้งใจแน่วแน่เพื่อความหลุดพ้นการผิดศีลไม่อาจให้ถึงแม้แต่โลกยะสมบัติได้อ น, นี้นะ ถ้าเราผิดศีลโลกียะสมบัติได้ไหมไม่ได้แม้โลกียะสมบัติก็ไม่ได้ถ้าพิจารณาอย่างนี้ฉะนั้นการโทุศีลจยงเป็นความเสียหายเอาเวลาที่เหลือประมาณสิบห้านาทีใครจะถามปัญหามีไหม